เอาน่ายอย่าซีเรียสเรื่องลืมกุญแจไว้ในรถยนต์หลังจากคุณเฉมชอบเธอเป็นคนสุพรรณบุรี เรียนจบนวัตรกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาจากวิทยาลัยครูมาใหม่ๆเขาอยากจะมีรถยนต์ขี่ไปทำงานจึงออดอ้อนคุณพ่อให้ซื้อรถเก่งให้จนสำเร็จวันหนึ่งคุณเฉมก็ได้พาคุณพ่อนั่งรถคันใหม่กินลมชมวิวชาญเมืองในยามเย็นหลังจากจอดรถณที่แห่งหนึ่ง เขาก็ล็อกประตูรถไปทำธุระกลับมาที่รถยนต์จึงนึกได้ว่าเขาลืมกุญแจไว้ในรถยนต์เขาจึงเดินไปซื้อลวดและไม้แขวนเสื้อมาทำขอเกี่ยวเพื่อเปิดประตูเพราะสามารถใช้ลวดและไม้แขวนเสื้อลอดเข้าไปตรงหูข้างได้ขณะนั้นก็มีคุณจ่าตำรวจอยู่ใกล้ เฝ้าสังเกตรพฤติกรรมของคุณเฉมโดยจะรักษาความปลอดภัยเพราะเจ้านายให้เข้มงวดการขโม ย, ยรถยนต์มากสักพักใหญ่คุณจ่าตำรวจเฝ้าสังเกตคุณเฉมแล้วก็โล่งอกเพราะไม่ใช่ขโมยแน่จึงกลับไปารายงานเจ้าหน้าที่ป้อมตำรวจว่าผมสังเกตแล้วว่านั่นเป็นรถยนต์ของเขาจริงๆ เพราะขณะแยกรอนประตูรถยนต์เพื่อทำการเปิดออกนั้นคุณพ่อของเขายังนั่งอยู่ในรถยนต์คันนั้นแล้วยังคอยบอกให้คุณเชมิมแย่ขวาเลยครับผู้หมวดคนเรามักคอยที่จะคิดอยู่กับปัญหาและพยายามหาทางแก้ปัญหาตามวิธีที่ตัวเองคิดว่าดีแล้วแต่นั่น อาจเป็นวิธีการแก้ปัญหาที่ยุ่งยากซับซ้อนทั้งทั้งที่งานนั้นถ้าให้คนอื่นทำอาจเสร็จง่ายเพียงปลายนิ้วก็ได้